ขความเจริญในธรรมทุกมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่มประปโปตยานได้นากำลังนำเสนอเรื่องสมาธิกที่จริงได้พูดมาถึงพระสมาธิแล้วแต่ว่ามันนี้เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นมันอยู่ในฐานะที่เป็นมัก จึงมาเน้นย้ำให้เห็นว่าในกรณีเหล่านี้ถ้าเรามีสมาธิธิคือปัญญาเน้นชอบแล้วจะไม่มีปัญหาใดแต่พอเกิดความเห็นไม่ยุยติกันไม่ลงกันมันก็มีปัญหาแต่ข้าวความที่จะเกิดการปฏิบนอมการประสานประโยชน์กันเนี่ยมันก็มีข้าว เราทาบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทางรัฐมนตรีใหญ่แล้วก็รัฐมนตรีช่วยเนี่ยคนหนึ่งเป็นนักกา ร, รศาึกษาคนหนึ่งเป็นนักกฎหมายแล้วเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ค่อนข้างดีแต่ว่าชาวพูทเราก็คงจะต้องเคลื่อนไหวก็โดยมีเป้าหมายไปดีค่อนข้าง สูงพอสมควรเนะี่ยวิจัดให้มีองค์กรของชาวพุทธที่ใช้ชื่อวันก่อนเนี่ยเขาไปคิดที่อะไรมาเป็นองค์กรร่วมใจพักพิทักษ์พระพุทธศาสนาหรือรักพระพุทธศาสน า, อ, า, สนาอะไรทานองนี้ น, นนะครมีคนเข้าร่วมกันหลายคนและในอกาส ต, ต่อไปถ้า รูปร่งางหน้าตามันออกมาเป็นยังไงก็จะนำมาเล่าให้ฟังก็วันนี้จะเน้นที่พระสมาทิฐิอีกสักชุดหนึ่งคือปัญญานน้ชอบในผลเกิดเือวนว่าผลนี่มันที่ค่อนข้างมีปัญหาก็คือผลในทางที่ไม่ดีเวลาเกิเดขึ้นักตัวเราแล้วนี่เราจะปฏิเสธ ซึ่งบางครัมันเหตุมาจากเรานะแต่เราก็ทําใจยอมรับตัวผลไม่ได้แล้วในสุดก็กลายเป็นปนัญหาเป็นปนัญหาโยนกลองบ้างเป็นปนัญหาโทษคนนั้นคนนี้คนโน้นโทษฟ้าโทษดิดนโทษอะไรต่ออะไรมากมายกันก่อวความเป็นมัคคุเสมาธิถิกับภารสมาธิถิบ ท, ที่จริงก็คือเหตุผลนั่นเอง มันจะมีความเชื่อมโยงกันว่าถ้าเหตุเป็นอย่างนี้ผลต้องเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเมื่อเราไม่ต้องการผลเนี่ยเราไปเว้นที่เหตุคือผลเราเว้นไม่ได้เลยคื อ, ค, อคือทำอะไรเขาไม่ได้ทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือไม่ทั้งไม่สร้างเหตุเพราะถ้าเรามองธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยจะทรงเน้นที่ตัวตัวเหตุเป็นหลัก ก็รับสั่งด้วยพระองค์เองว่าทรงแสดงธรรมมีเหตุหาแสดงธรรมไม่มีเหตุไหมสมเด็จพระมหาสมณเาจ้าพรมยาววิชานวโรสทรงแปลว่าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังตรองตามพิจารณาตามไปแล้วก็จะเห็นจริงได้แต่ใ้ชัดเจนเนะฮะจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติด้วย ความเป็นเหตุเป็นผลมันจึงมีความเชื่อมโยงกันที่เราเน้นย้ำความมีเหตุมีผลเป็นเรื่องใหญ่เวลาจะใช้เหตุผลมันต้องไม่เอาอารมณ์เข้ามาใส่จุดที่เป็นอันตรายของความคิดสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยคือมักเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการคิดในการตัดสินปัญหาในการแสดงความเข้าใจต่าง ผมเห็นอย่างนี้ผมเชื่ออย่างนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ผมถือว่าอย่างนี้มีรายการวิทยุแนวหนึ่งเวลาเนี้ยบางครั้งก็มีโอกาสฟังก่จะมีคนแสดงความคิดเห็นออกมาจากข้างนอกเป็นลักษณะของสื่อสองทางแต่รูปของการแสดงความเห็นในประเด็นที่เขาตั้งขึ้นมา คือเขาใจชัดเจนในกระบวนการของเหตุผลในเรื่องเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเแต่ก็สังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ เ, เข า, เ, าเหตุผลเป็นการให้ความสําคัญแก่ตัวตนเป็นศูนย์ของความถูกต้องแต่ว่ากฎเกณฑ์ทั้งหลายในโลกเนี่ยที่จริงมันมีมานานแล้วนะ โลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหวันสองวันมันมีกฎเกณฑ์หลักการวิธีการต่างๆที่ถูกต้องในสะสมอยู่เยอะแล้วเกิดหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนั่นคือแนววัตธรรมะธรรมะที่ท่านแปลว่าสภาธที่ส่งไว้หมายความก็ก็เป็นอย่างที่ก็เป็นเน่ยเคยไปยุ่งเกีย่ยวกับบาเยามุกก็เสือ่อม ใครไปฆ่าคนอื่นก็อย่างน้อยก็เดือดร้อนใจต้องหนีซอกซอนไปในที่ต่างๆต้องเจ็บภุมคุมขังถูกลงโทษถูกฆ่าเมื่อไรก็เมื่อ น, นั้นเพราะนั่นมันเป็นผลถึงมันเกิดมาจากเหตุถ้าเราไม่ต้องการผลอย่างนั้นเราอย่าสร้างเหตุสร้างเหตุไม่สร้างเหตุก็จบทีนี้ที่มันยุ่งเนี่ยคือว่า ตัวเหตุเราสร้างไปแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเหตุที่ไม่ดีแต่พอรับผลในทานองที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่พอใจว่ามีการกลั่นแกร้งใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาอะไรต่ายก็ออกมาแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งมีคนเด่นมากที่ผิดไม่เป็นคือไม่เคยผิด บางครั้งบางคราวเป็นระดับขององคอ์กรใหญ่ๆนะเช่นว่าคนที่เป็นรัฐบาลนะเราเห็นว่าอตอตัวเองเป็นเนี่ยโยนลูกให้รัฐบาลเก่าตลอดพตอตเองไม่ได้เป็นเนี่ยห้ามไม่ให้โยนโลูกมาคือบป็นเสถึงความต่อเนื่องคือพ้นบางอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากเขตอีกช่วงหนึ่ง ใกล้ๆกับพระราชบัญญัติเหล่านี้ยจริงๆมันเกิดมาจากเหตุในรัฐบาลก่อนไม่ใช่รัฐบาลปัจจุบันเราไปโทษอะไรรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้หรอกแล้วที่จริงรัฐบาลก่อนก็โทษไม่ได้นะหรือเขาไม่ได้ตั้งไปอย่างนั้นเพียงแต่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทํางานพู้ปฏิบัติจริงๆน่คือพวกกรรมการแล้วเมื่ อ, อยังไม่ดออกมาเป็นพระราชบัญญัติยังไม่เข้ากระมอมท่านก็ไม่รู้ว่าเขาบัญญัติไปอย่างไง ซึ่งเราก็ต้องมองด้วยความเข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือโทษใครไม่ได้แล้วแม้แต่กรรมการเหล่านั้นเองเราก็โทษไม่ได้ตัวจริงๆเขาก็คงเจตนาดีเพียงแต่ว่าจเจตนาดีบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอย่างในนิทานทศมนรีที่ท่านเล่าพ่อเป็นช่างถัา มันถากมาอยู่มแมลงวันก็มาตอมในศีรษะของพ่อพ่อก็บอกให้ลูกชายช่วยไล่ลูกชายมันก็ไล่หลายลทีมันรำคาญนะมาอีกโกรกขึ้นมาก็จับขวานจามเลยต้องการจะจามมาแรงวันนะแต่ว่ า, มาแมลงวัดมันบินหนีไปได้เลยพ่อตายนั่นก็คืออะไรก็คือว่าไม่ฉลาดในอุบาย ในการจะแก้ปัญหาเพราะาผลเหล่านั้นมันเป็นผลที่เกิดจากความเห็นผิดในตัวสิ่งที่ตนจะทําโดยคิดว่าผลมันจะออกมาตามที่ตนคิดแต่เหตุเนี่ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะขวานไปจา ม, มาแมลงวันแล้วก็ตายเนี่ยมันมันใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยโดยซยวจำไปถ้ามีมาแมลงมันเป็นฝูงก็ว่ากันแต่นี่แมลงวันตัวเดียว เพราะงั้นปัญหาเรื่องเรื่องผลเนี่ยเป็นผลที่มันมีลักษณะของปฏจจจตังเราจะมองผลในทางประสาทสัมผัสได้เห็นให้เราสังเกตนะฮะสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดผลตามต้องควรแก่เหตุเช่นไฟร้อนเนี่ยเราจำเป็ น, นต้องจับไฟจับยังไงว่าผล คือเราไม่ต้องถูกไฟลวกเราก็จับได้ไฟมันคงร้อนอย่างนั้นแะแต่เราก็ต้องเพิ่มปัญญาเพิ่มเหตุผลลงไปเราจะเห็นม า, าในกรณีนี้ถ้าปล่อยให้เด็กจับมันก็มีปัญหาแต่ถ้าผู้ใหญ่พอสมควรแล้วก็จับได้ทำอะไรได้นั้นจะต้องศึกษาอุบายมิตีต่างๆที่จะจัด ก, การกรับสิ่งเหล่านั้นเรื่องบางเรื่อง เป็นงานที่ดูแล้วน่ากลัวคือไม่น่าจะทําได้แต่คนที่เข้าใจเหตุเขาก็ทําจนเกิดผลขึ้นมาได้เช่นยกตัวอย่างว่าไปรีเซรัม่มไปปิดมูมาทําเซรั่มเนี่ยดูแล้วน่ากลัวตัวเหตุมันน่ากลัวฮะแต่ว่าคนที่มีความเชื่อมั่นเขาก็ทําเหตุเหล่านั้นออกมาได้แล้วเกิดผลในทางสร้างสารรค์ได้ ในตัวผลนั้นอย่าลืมว่ามันเป็นเหตุต่อคือกระบวนการของสิ่งต่้งหลายจริงๆเนี่ยมันเป็นผลก่อนแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลก็เป็นเหตุเป็นผลก็เป็นเหตุก็ทยอยกันอย่างเงี้ยแค่การสืบต่อในสายสกุลถามว่าเราเป็นผลหรือเป็นเหตุมันต้องถามว่าไปพูดกับใครล่ะเผื่อถ้าเรามีลูกเนี่ย เอแสดงว่า ah, ถ้าเราระหว่างเรา ก, ากับลูกเนี่ยเราก็เป็นเหตุแต่ถ้าว่างเรา ก, ากับพ่อเนี่ยเราก็เป็นผลแต่ว่าพ่อกับเราเนี่ยพ่อก็เป็นเหตุสมับเราแต่พ่อก็ เ, อกเป็นผลสมับปู่เห็นไหมมันก็ถยอดกันไปเงี้ยอยู่มาความวาเป็นผลก่อนแล้วก็จะเป็นเหตุตัวหลักจรงิจรงๆจึงไปมองที่เหตุว่าถ้าเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ เหตุมันบอกว่าความเสื่อมความเจริญเหตุของความเสื่อมความเจริญแต่ความเสื่อมความเจริญยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่สร้างเหตุแต่ทีนี้ถ้าเราไปเกิดสร้างเหตุขึ้นมันก็ต้องยอมรับเป็นความผิดพลาดของเราเองอย่างที่ดันกล่าวไว้เป็นคำกลอนว่านั้นความผิดพลาดพลั้งทั้งหลายเล่าใช่ด้วยะดวงดาวในท้องห้องเวทมน มาเกี่ยวข้องพ้องพานบรนดาลดลแท้จริงผลของกรรมเราทำเองนั่น ค, คือกระบวนการในการมองรดยเหตุด้วยผลมายกตัวอย่างในการรักษาศีนี่เนี่ยพระเจ้าทรงแสดงอนิสงส์อนิสงส์ก็คือผลนะฮะที่เกิดขึ้นมาจากการรักษาศีมันก็เห็นก็นจัดจัวันก่อนยัง ได้ยินวุฒิสมาชิกคนหนึ่งเขาสัมภาษณ์ก็ได้ยินพระเขาปรารถกกันนะ <c oughs> แต่มาไม่ได้ฟังวันที่เขารัฐบาลแถลงนโยบายเขาบอกว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนเดียวที่พูดถึงเรื่องศาสนาและวิตกวางยายในศาสนาจนถึงประกาศพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อรักษาศาสนา วฉนนั้นก็พูดเรื่องอะไรกศธอะไรที่เขาเลือกกรรมการกันที่วุ่นๆ น, นี่เออพูดถึง ก, รรกสทธตัว น, นี้ก็มีปัญหาที่น่าคิดใหญ่ๆหนึ่งคือกรรมการมหาเทศสมคมเนะี่ยท่านลงมติให้ทรงอัตมากับเจ้าคุณเทพโสภณอธิการบรดีมาจุลาเนี่ยไปตามคาที่พขาขอมานะก็ส่งไปตามคำนียม จะโรงการหนาบอกกระทนหันมากโทรศัพท์บางกลางคืนรุ่มืนเช้านี่จะมาเอาประวัติแล้วก็เข <c oughs> ียนประวัติไปให้แล้วก็คน บ, บอกให้แสดงความเห็นคือเราบอกว่ามันมันคนทำงานเนี่ยงานอย่างนี้งานสื่องานสื่อก็คืองานสุดจริต มันกายสุจริตวจีสุจริตใจสุจริตแล้วก็มันมันมันไปได้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องกลัวหรอกมันเป็นโครงสร้างของการสื่อสารการสื่อสารก็คือวจีสุจริตทั้งสี่ประการแต่มันต้องมีโมโนสุจริตแต่ไม่ใช่เป็นคาตอบอะไรนะเป็นการแสดงความเห็นโดยสรุปทรงสามัทัศอนนั้นเอง แล้วที่ขำก็คือเขาเขาตัดสินสอบตกเป็นแถวลงมาเลยเอ้ยเราไม่ได้สอบเล่นะแล้วมันตกได้ยังไงคะแนนไม่ผ่าน44จุดอะไรเนี่ยนจะุดห้าอะไรเนี่ยนะยังนึกขมอมาเออมันก็แปลกไนงะเราไม่ได้สอบเราไม่เคยถามอะไรเราเลยแล้วเราก็มามีถูกมีตรวจสอบมีให้คะแนนมีหักคะแนนออกมา ท่านสวคนนี้ท่านบอกว่าท่านไม่ติดใจเรื่อความรู้ความสามารถดัานอื่นแต่ท่านติดใจว่าคนนั้นสุจริตหรือไม่แตะไม่ใส่ใจว่าจะมาสายไหนเพียงแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนสุจริตหรือไม่เพราะถ้าสุจริตแล้วเนี่ยมันมันอย่างอื่นไม่แปลกอะไรนะผู้ได้ามากไปเองอะ่ะ คนเราที่ซื่อสัตย์สุสจริตพอบุญจินเขเป็นได้ต่างหลายอย่างอะซื่อสัตย์สุสจริตอย่างเดียวเองนั่นคือเหตุที่มันเกิดผลแต่เราไม่เข้าใจนะฮะว่าตัวเหตุเนี้ยมันตัวเหตุหลักคุณจะดียังไงก็ตามนะฮะถ้าคุณไม่สุจริตแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะหาประโยชน์เพื่อตัวเองก็สังคมก็อาจจะได้เสียเลยต่างๆ แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่ตุกคนซึ่งไม่สุจริตอันนี้ก็คือแสดงว่าสื่อสารเข้าใจมองเหตุนิดเดียวตั้นเองเนี่ยเราจะเห็นว่าสุจริตคือเกราะบางศาสตร์พรองทุกอย่างเนี่ยถ้าสุจริตแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่ทั้งป้องกันทำดำบัดทั้งบำรุงทั้งรักษา มันไปรวดเดียวเลยทีนี้ผลเหล่านี้พอเกิดขึ้นแกเราเราต้องเชื่อมโยงไปหาเหตุหได้้ระเห็นนั้นเราประกอบจริงหรือเปล่าเราทำจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ต้องยอมอนะ่นแต่ปัญหาสำคัญว่าการศึกษาแนวสมาธิทิ่นี่เขาเปิดโอกาสให้เราตรวจสอบออกให้เลือกเอาว่าจเจ้าผลอะไร ล, ล่ะ ถ้าเหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาพูดเหตุผลเนี่ยเขาจะพูดเชื่อมโยงกันเพื่อผู้ฟังเนี่ยเลือกเอาเองคัดเลือกเอง ว, ว่าจะเอาอะไรอย่ในกรณีของศีลอย่างในท้ายของศีลที่ทรงแสดงไว้สามข้อนะฮะสีเดชนสุกติงยันติบุคคลจะรับความสุขหรือบังเกิดในสุกติ ก็เพราะสินราะเรามองดูว่าคนเด็กเขาจับกลุ่มกันได้ละเรื่องแต่เรื่องเนี่ยคนผิดสินทั้ง น, นั้นเนี่ยคนที่ถูกประหารชีวิตคนที่ติดคุกตลอดชีวิตคนที่ถูกไล่ล่าอะไรแต่ไรคนที่ผิดสีนทั้งนั้นแล้วจะผิดสีนอยู่ในแวดวงนี้แหละแวดวงสินห้านี่แหละไม่ได้ไปไกลไหนหรอก นั้นก็ชัดเจนว่าคนที่มีสีนี่จะอยู่อย่างเป็นสุขแล้วก็ตายไปแล้วก็บังเกิดในสุกติแต่ตอนนี้ยังไม่ตายแล้วก็มีตัวอย่างบุคคลให้เห็นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระเจ้าทรงแสดงเอาไว้พระเจ้าเองก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างที่เล่ามาในตอนต้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพระบรารมีธรรมต่างๆที่ทรงสร้างในสมัยพระเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ย ปตายใหชาตินั้นก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเวลานานหลายภพหลายชาติแต่ค้างติมอยู่สวรรค์เนี่ยกว่าจะลงมาเป็นมนุษย์อีกแล้วก็คนบธรรมดีเข้าเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าเดวมนุษย์เสสุสังสันโตท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็อาจจะเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ามีความสุขมีความสบาย การอัดเกิดเป็นเทวดาจะมีความสุขความสบายมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นผลที่เราเห็นหรือว่าสิเลนโภลกสัมปท า, าคือคนที่มีสีเนี่ยหมายความว่าหาทามาหา ก, กินด้วยความซื่อสัตย์จริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนีมันจะสมบูรณ์ในภพกสมบัติ ล้วดูข่าวนะักการเมืองใหญ่ๆบางทีถูกริบซับจำนวนมหาศาลเนี่ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะฮะวัพซับเหล่า น, นั้นมันได้มันได้ยังไงวันก่อนมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าลุ่มน้ำปากพนงังนะเขื่อนุ่มน้าปากพนงังเป็นโครงการในพระราชดำริมีคราวหนึ่งที่เ้าเสร็จโครงการสร้างเขื่อนเนี่ย ได้เงินวันนั้นตั้งสามร้อยทานธนาคารชาติต้องตรวจสอบเลยเอาเงินมาจากไหนจะได้เงินจากไหนเพราะมันเยอะเหลือเกินฮะนั้นก็แสดงงห้เห็นว่ามันเป็นงานที่เขาได้มาด้วยความสุจริตตรวจสอบก็ตรวจสอบไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าธนาคารชาติเขาไม่ได้คิดว่าผิดอะไรเพียงแต่ก็สงสัยแต่นั้นเอง นี่ก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าคนที่รักษาศีลและอยู่ในศีลนี่ยอาจจะไม่รวยพูดพาดอย่างพวกค้ายาบ้าหรอกแต่เราดูพวกค้ายาบ้าเนี่ยไม่ว่าพวกไหนพวกไหนพมา่าแล้วพวกไหนไทยแล้วพวกไหนไหนกต็ตามก็อยู่ไม่เป็นสุขก็เที่ยวร่อนเร่อยู่ในที่ต่างๆแล้วก็โลลกซ่อนซ่อนหาความสงบใจตัวเองไม่ได้ แต่ถ้าคนเหล่านั้นก็อาจจะรวยนะแต่ว่าปัญหาของความดีปัญหาของชีวิตมันอยู่ที่ได้ความสุขอะไรก็ตามที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขบุคคลก็พร้อมที่จะสร้างเหตุเหล่านั้นแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเขาสิเลเดนิปูติยันติบุคคลจะบรรลุนิพพาน เราไม่เอานิพพานใหญ่หราเอาดับความชั่วได้เนี่ยเอาขนาดเนี้ยเรียกว่าตาทังกันนิพพานเนี่ยคือดับในเรื่องนั้นๆอยากฆ่าสัตว์ไม่ฆา่าอยากลักทรัพย์ไม่ลักอยากจะประพฤติผิดในการมไม่ประพฤติผิดอยากจะพูดเท็จไม่พูดอยากจะดื่มเสพสิ่งเสพติดไม่เสพมันก็ป้องกันปัญหาได้แล้วแต่ทีนี้สมมติว่าพ็อยากลักละลักเลยไม่ยอมดับกิเลสตรงนั้น ความทุกข์ก็จะตามมาเลยทีนี้เป็นแถวเลยนีปัญหาสารพัดตรงนี้จึงเป็นการแสดงเดยเจนว่าสีเนี่ยเป็นเหตุอันนี้สมมติว่าศีลก็เป็นผลทีนี้สมมติว่าใครเขาได้อย่างเงี้ยก็ได้ความสุขเขาได้เจริญโดยพว ก, กสมบัติแล้วเขาได้ความสงบเย็นไปไหนมาไหนไม่เดือดร้อนไม่หวั่นเกรงภัยอันตรายอะไร ก็เขาก็เป็นตัวอย่างให้คดูแล้วพอสืกสาวไปก็จะเจอว่าคนนี้อยู่ในศีลธรรมทีนี้ถ้าไม่อยู่ในศีลธรรมเนี่ยมันต้องมีคนอารักขาป้องกันแต่ว่าอารักขาป้องกันไม่ได้หมายความทั่วไปนะคือบางทีอย่างราชการเนี่ยมันต้องมีการอารักขาป้องกันตามธรรมเนียมแต่คนทั่วไปเนี่ยฮจะว่าบางคนที่เขามีปัญหาในความประพฤติในความเื่อศรัทสุจริตเนี่ย มันต้องมีคนนะรักษาป้องกันมีการเคลียร์พื้นที่มีบริการอะไรในสารพัดหลายปีมาแล้วนะครับมีคนเขาขอร้องมาช่อเจิมรถรถอะไร่ะเบนห้าร้อยนะบอกว่า เ, เจอไม่เป็นหรอกแต่สร็จแล้วก็ไปเจิมให้คุยใหญ่ที่วัดหนึ่งเจิมบดีมาก็ไปบรดี ที่เจอก็เจอมาตอนก็ขึ้นนั่งเนี่ยนึกนั่งเอ็นดูเนี่ยฮะคือเอาเองตอนนั่งตรงกลางแล้วก็ถูกกระนาบถูกกระนาบด้วยบริกัดสองขดแทนที่จะสบายมันก็ไม่สบายอเลยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเขามีปัญหาในด้านความประพฤติไหนจะบ้างคั่งรับรู้ยังไงก็แค่ก็อยู่ไม่เป็นสุขตื่นไม่เป็นสุขไว้ไม่เป็นสุกกินไม่เป็นสุข ผอันนิสงเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้โดยการมีศีลดันั้นแสดงว่าศีลมันก็เป็นเป็นตัวเหตุเป็นมรคสมาธิชิและพอเกิดผลขึ้นมาถ้าผลขึ้นเกิดขึ้นในคนอื่นก็ไม่ควรแก่การไปริศยาไปดูหมินอะไรเขาเพราะว่าเป็นผลที่สมควรแก่เหตุแล้วต้องฟังปไปลายแต่โลภปฎิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรม